กับบางคนทำไมพูดแล้วเข้าใจไม่ตรงกันอยู่เรื่อยหูได้ยินเสียงพูดได้หมดปัญหาคือใจจะรับฟังเฉพาะคำที่โดนและจดจำเฉพาะคำที่อยากได้ยินตอนคุณพูดคำว่าภูเขาคนหนึ่งอาจนึกถึงคุณเขาสูงใหญ่มหึมมาที่ฝันอยากไปเที่ยวส่วนอีกคน อาจนึกถึงทิวเขาที่เตี้ยใกล้บ้านคำพูดของคุณจึงโดนใจคนแรกแต่ไม่โดนใจคนหลังตอนคุณพูดถึงคนดีคนหนึ่งอาจนึกถึงเศรษฐีที่แจกเงินฟรีส่วนอีกคนนึกถึงครูที่แจกความรู้ฟรีถ้าคุณเอ่ยนามของคนดีที่แจกเงินคำพูดของคุณจะเป็นที่จดจำสำหรับคนแรก ขณะที่คนหลังมีสิทธิ์นึกไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ละคนสั่งสมกรรมและประสบการณ์ต่างกันอย่าแปลกใจหากคุณพูดเรื่องสีขาวและบางคนนึกว่าพูดเรื่องสีฟ้าขณะที่อีกคนนึกว่าพูดเรื่องสีน้ําตาลเพราะโลกของบางคนเต็มไปด้วยสีฟ้าขณะที่โลกของอีกคนเต็มไปด้วยสีน้ําตาล ผู้คนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตนอันสร้างขึ้นจากกองภูเขาแห่งกรรมหลายกองไม่มีโลกของใครดีที่สุดในสายตาของคนในโลกอื่นผู้เห็นความจริงนี้จะไม่เป็นทุกข์กับการพยายามเปลี่ยนโลกทุกใบให้กลายเป็นโลกใบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นโลกใบเดียวกับคุณภาพประกอบ เป็นรูปของชายที่กลับหัวอยู่แล้วพูดว่าเรื่องแค่นี้ทำไมคุยกันไม่เคยรู้เรื่องสักทีนะมีคำตอบว่าอาจจะกําลังมองต่างมุมกันอยู่มั้งความไม่ชอบหน้ากันอาจเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีแรกหรืออาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่เคยชอบกันมาก ความไม่ชอบหน้ากันเป็นสิ่งที่แกล้งลบออกจากใจไม่ได้เมื่อใบหน้าที่ไม่ชอบมากระทบตาก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดความขัดเกลืองใจหากแกล้งทำเป็นชอบใจใจย่อมพอกคูนความอึดอัดสะสมแรงกดดันต้องหาทางระเบิดออกในวันหนึ่งเพื่อจะล้างความไม่ชอบหน้าออกจากใจโดยไม่ต้องฝืนคุณต้องมีความสุข จากความศรัทธาในธรรมแล้วต่อยอดศรัทธาด้วยการทํากิจกรรมทางจิตเช่นฝึกให้ทานด้วยเป้าหมายทําลายความตรณีฝึกรักษาศีลด้วยเป้าหมายสลายความโสกปรกตลอดจนฝึกสวดมนต์โดยมีเป้าหมายถวายเสียงบูชาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งเกินความเกลียดใจที่ไม่หวงใจที่สะอาด ใจที่เปล่งประกายศรัทธาเป็นใจที่พร้อมจะมีความสุขพร้อมจะแผ่ภายกระจายไกลให้คนไม่เลือกหน้าและความอยากเผื่อแผ่กระแสสุขนั่นเองคือการแผ่เมตตาเมตตาเป็นสิ่งที่ลบล้างความไม่ชอบหน้าออกจากใจได้จริงโดยไม่ต้องฝืนแกล้งไม่ต้องสะสมความกดดันใดๆเพราะภายใน มีแต่ความว่างจากไอร้อนและม่านดำแห่งโทสะแล้วจะเอาความขัดแย้งฝืดฝืนมาแต่ไหนเหล่าภาพประกอบตอนเกลียดใครเนี่ยทำไมดูชอบรู้สึกเหมือนเขางอกนะมีคำตอบกลับมาว่าก็อารมณ์เกลียดนะมันตัวสร้างจิตปีศาจไงเกลียดจริงจังแค่ไหนก็ยิ่งเกิดรูปปีศาจให้รู้สึกจริงจังแค่นั้น การอยู่ร่วมกันแบบตั้งใจเอาผิดเอาถูกอาจได้คนถูกคนผิดที่ไปด้วยกันไม่รอดการอยู่ร่วมกันแบบตั้งใจให้ไปด้วยกันได้รอดมีสิทธิ์ไปกันรอดแม้อาจได้คนผิดด้วยกันทั้งคู่ธรรมชาติออกแบบให้เราเห็นคนตรงหน้าอย่างชัดเจนแต่ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยิน ไม่ให้ได้สัมผัสว่าหน้าอารมณ์หนึ่งหนึ่งตอนเองหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำเสียงเป็นอย่างไร่วงจีกิริยาเป็นอย่างไรหนาอารมณ์หนึ่งหนึ่งแรงดันทางอารมณ์ขับให้เกิดความรู้สึกว่าทำสิ่งที่น่าทาแล้วพูดสิ่งที่น่าพูดแล้วไม่เห็นผิดอะไรแล้วหน้าอารมณ์หนึ่งหนึ่งมเมฆหมอกทางอารมณ์ ก็อาจปิดกั้นความเห็นอกเห็นใจเหลือแต่ความอยากเอาแพ้เอาชนะเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดออกเมื่อตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเอาอะไรจะไปให้ถึงไหนในการอยู่ร่วมกันทิศทางจะชัดเจนสู่จุดหมายขึ้นฝั่งแต่ถ้าไม่มองไว้ก่อนไม่ตั้งใจไว้ก่อนทิศทางมักแปรปรวนตามคลื่นลมทางอารมณ์ออกอ่าว ภาประกอบคนหนึ่งพูดว่านี่แกลงง้งโง่หรือโง่จริงกันแน่ฮะแค่เนี้ยแยกแยะไม่ได้หรือว่าใครผิดใครถูกมีคำตอบว่าอย่าไปร่วมมีส่วนผิดด้วยการด่าเขาซะเสียหายไม่ใช่วิธีหาคนผิดที่ฉลาดเลยการให้โอกาสคนถ้ามากไปเรียกว่าใจอ่อนถ้าน้อยไป เรียกว่าใจดำถ้าพอดีเรียกว่าใจดีถ้าขี้สงสารมักให้โอกาสมากไปผล ค, คือส่งเสริมให้คนอื่นก่อบาปสำเร็จโดยง่ายถ้าแลงน้ำใจมักให้โอกาสน้อยไปผล ค, คือไม่เอื้อเฟื้อให้ใครได้แก้ตัวบ้างถ้ารู้จักคนรู้จักจังหวะโอกาส รู้จักสถานการณ์ทั้งน้ำหนักไม่ให้มากไปหรือน้อยไปได้ด้วยใจผล ค, คือเป็นคนใจดีอย่างมีสติมีเงื่อนไขในการเปิดโอกาสไม่ใช่ยอมเปิดทางให้ออกอา่าวภาพประกอบผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเราจะเอาอะไรวัดว่าพอดีแล้วใจดีแล้วคำตอบว่าความรู้สึกว่า ใจมีเมตตาแล้วไม่ดูดายแล้วละ ว, วางเฉยได้แล้ว